ขหปฏิวั์หมวดว่าด้วยขหบดีปัญจเวระพยสูตรว่าด้วยภัยเวรห้าประการสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอนาถบิณฑิกะขหบดีดังนี้ว่าขหบดีเมื่อใดแล ไยเวณหประการนี้ของอริยาสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะที่เป็นองค์แห่งโสดาปติผลสี่ประการและยายะธรรมอันประเสริฐในที่นี้หมายถึงปฏิจจสมุปบาทและอริยามรรคมีองค์8ดอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะที่เป็นองค์แห่งโสดาปติผลสี่ประการและยายะธรรมอันประเสริฐ ที่สาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอาริยาสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มินรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตดิรชานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบบายทุกติวินิบาทสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้จัดรัสรู้ในภายหน้าอย่างแน่นอนภายเวนห้าประการสงบแล้วเป็นอย่างไรคือหนึ่งบุคคลผู้ฆ่าสัตย่อมประสบภายเวนใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างสวยทุกโทมนัดทางใจบ้างเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยภายเวนนั้นของอริยาสาวกผู้เว้นจาัด ก, การฆ่าสัตว์ สงบแล้วด้วยประการชนนี้ 2. บุคคลผู้ลักทรัพย์ยอมประสบภัยเวณใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างสวยทุกโทมนัทางใจบ้างเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยภัยเวนนั้นของอริยาสาวกผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์สงบแล้วด้วยประการชนนี้3 บุคคลผู้ประพฤติผิดในกรรมย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างสวยทุกธรรมนัต ท, ทางใจบ้างเพราะการประพฤติผิดในการมเป็นปัจจัยภัยเวร น, นั้นของอริยส า, าวกผู้เว้นขาดจัด ก, การประพฤติผิดในการมสงบแล้วด้วยประการชะนี้ 4. บุคคลผู้พูดเท็จ ยอมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างซวยทุกธมนัตทางใจบ้างเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยภัยเวนนั้นของอริยาสาวกผู้เว้นขาดจัดการพูดเท็จสงบแล้วด้วยประการฉะนี้หา้าบุคคลผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัย ย่อมประสบภัยเวนใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัยภัยเวร น, นั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาดจัด ก, การเสพของมึนเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทสงบแล้วด้วยประการต้นี้ ไยเวณห้าประการนี้สงบแล้วอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะที่เป็นองค์แห่งโสดาปติผลสี่ประการเป็นอย่างไรคือหนึ่งอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุ น, นี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณ ะ, สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถิฝึกผู้ที่กวรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. อ, อริยาสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระธรรมว่า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 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติปูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคลสี่คู่คือ8ดบุคคลตั้งแต่โสดาปติมักจนถึงอรหัตผลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักสินนาทาน ควรแก่การทำอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 4. อริยาสาวกผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยปรารถนาอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสันเสริญอันตัญหาและทิฏฐิถูกต้องไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิ อริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะที่เป็นองค์แห่งโซโดาปฏิพันธ์สี่ประการนี้แหลยายาธรรมอันประเสริฐที่อริยาสาวกเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมมณสิการปฏิจจสมุปบาทโดยแยบคายว่าเพราะเหตุนี้มี เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมีเป็นต้นนั้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้อันหนึ่งเพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเป็นต้นนั้นความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ยายะธรรมอันประเสริฐนี้ อริยาสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาข้าบดีเมื่อใดแลภายวนหประการนี้ของอริยาสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะที่เป็นองค์แห่งโสดาปติผลสี่ประการและยายธรรมอันประเสริฐที่อริยาสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญา อริยสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาศสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้จะตรัสรู้ในภายหน้าอย่างแน่นอน ทุกขสูตรว่าด้วยทุกขพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีตรัสแสดงเรื่องความเกิดแห่งทุกข์และความดับแห่งทุกข์แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขู่คือตาและรูปจักขู่วิญญาณจึงเกิด ความประจวบแห่งธรรมศสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แหละและโดยในยะเดียวกันเพราะอาศัยโสตะคือหูและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยขานะและกลิ่นขานะวิญญาณจึงเกิด เพราะอาศัยชิวหาแล้วรถชิวหาวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยกายและผลทพภากายยะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยมโนโคือใจและธรรมารม์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิด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 เพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคาอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพบจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราโมรณะโสกปริเทวะทุกโทมนต์และอุปาญาจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการฉนี้ และโดยนัยยะเดียวกันเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยคานะและกลิ <kon Isa> ่นคานะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยชิวหาแล้วรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยกายและผลทัพภะกายยะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยมโนและธรมมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิด ความประจวบแห่งธรรมสามประการนี้เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาคือสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงเกิดเพราะตันหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาจึงดับ พระชาดดับชรามรณะโสกะบริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายความดับแห่งทุกเป็นอย่างนี้แลยาติกัสูตรว่าด้วยการแสดงธรรมณ์หมู่บ้านยาติกะ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้หมู่บ้านยาติกะัลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกร้นอยู่ในที่สงัดได้ตรัสธรรมะบรรยายนิว่าเพราะอาศัยจากขุแลรูจากขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตันหาจึงเกิดเป็นต้นนั้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุบทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้และโดยนัยยะเดียวกันเพราะอาศัยโสตาและเสียงอาศัยคานะและกลิ่นอาศัยชิวหาและรสเพราะอาศัยกายและผธพภะเพราะอาศัยมโนและธรรมารมม์มนโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบเห่งธรรมะสามประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเป็นต้นนั้นความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้เพราะอาศัยจากขูกแล้วรูปจากขูกวิญญาณจึงเกิดเป็นต้นนั้นความประวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพระพาะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิด เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคาอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพบจึงดับเป็นต้นนั้นความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการเชนี้สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งยืนแอบฟังพระผู้มีพระภาพอยู่ พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นตรัสถามภิกษุนั้นดังนี้ว่าเธอได้ฟังธรรมบัรญายนี้หรือไม่กาบทูลตอบว่าข้าพระองค์ได้ฟังอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุเธอจงศึกษาธรรมบัรยายนี้จงเล่าเรียนธรรมบรรยายนี้จงทรงจําธรรมบัรญายนี้เพราะธรรมบัรยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรมจรรันท์อัญญตระพรามณะสูตรว่าด้วยพรามผู้หนึง่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหลพรามผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ท่านพระโคดมคนนั้นทำเหตุคนนั้นเสวยผลหรือหนอพราหม์โวหารนิว่าคนนั้นทำเหตุคนนั้นเสวยผลนี้เป็นที่สุดอย่างหนึ่งข้อนี้หมายถึงสุดตรงไปด้านหนึ่งพราหม์ทูลถามอีกว่าท่านพระโคดมก็คนอื่นทำเหตุคนอื่นเสวยผลหรือพราหม์โวหารนิว่า คนอื่นทำเหตุคนอื่นสวยผลนี้เป็นที่สุดอีกอย่างหนึ่งตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นยอมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาจึงมีเป็นต้นนั้นความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้อันหนึ่ง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคาสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเป็นต้นนั้นความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วปรามนั้นได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิบประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ชานุสัโสนิสูตรว่าด้วยชานุสัโสนิพรามพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลชานุสัโสนิพรามเข้าเฝ้าและทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมสิ่งทั้งปวงมีหรือพรามโวหารนิวาสิ่งทั้งปวงมี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 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชานุสัสโธนิพรามได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิตประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตโลกายติกสูตรว่าด้วยพราหมผู้รอบรู้คำภีโลกายตะคาพีโลกายต ะ, ะหมายถึงคาพีที่ว่าด้วยศิลปะแห่งการเอาชนะผู้อื่น โดยการอ้างทฤษฎีและประเพณีทางสังคมมาหักล้างสัจธรรมมุ่งแสดงให้เห็นว่าตนฉลาดกว่ามีได้มุ่งสัจธรรมแต่อย่างใดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหละพระผู้รอบรู้คำพีโลกายตักเะเาเฝ้าและทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโวดมสิ่งทั้งปวงมีหรือ รามข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีนี้เป็นโลกาญตาข้อที่หนึ่งท่านพระโกดมก็สิ่งทั้งปวงไม่มีหรือรามข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีนี้เป็นโลกาญตาข้อที่สองท่านพระโกดมสิ่งทั้งปวงมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันรืรามข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันนี้ เป็นโลกายตกข้อที่สามท่านพระครูดมก็สิ่งทั้งปวงมีสภาพต่างกันหรือพรามข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีสภาพต่างกันนี้เป็นโลกายตกข้อที่สี่ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นยอมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมี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 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระผู้รอบรู้คำพีโลกายตะได้กราบทูนสรรเสริญพระภาสิทธ์ประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตอริยสาวกสูตรว่าด้วยอริยสาวกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเกศกรุงสาวกถีนาะที่นั้น ตรัสแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับจึงไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรมีสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอะไรมีวิญญาณจึงมีเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมี เมื่ออะไรมีสลายตัณหจึงมีเมื่ออะไรมีพัฒนาจึงมีเวทนาจึงมีตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณะจึงมีโดยที่แท้อริยาสาวกผู้ได้สดับจึงมียานอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งน hmm ี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีเมื่อนามรูปมีสลายตนะจึงมีเมื่อสลายตนะมีผัสสะจึงมีเมื่อผัสสะมีเวทนาจึงมีเมื่อเวทนามีตัณหาจึงมีเมื่อตัณหามีอุปาทานจึงมีเมื่ออุปาทานมี พบจึงมีเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีอริยาสาวกนั้นรู้ชัิอย่างนี้ว่าโลกนี้เกิดขึ้นอย่างนี้อริยาสาวกผู้ได้สดับจึงไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมี เมื่ออะไรมีสลายตนะหผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติชราและมรณะจึงมีโดยที่แท้อริยาสาวกผู้ได้สดับจึงมียานอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเราบสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ เมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเมื่อนามรูปไม่มีสลายตัณะจึงไม่มีเป็นต้นนั้นและไม่มีสิ่งต่อต่อกันมาคืออุปปาทานจึงไม่มีภพจึงไม่มีชาติจึงไม่มีเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าโลกนี้ดับอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลอริยาสาวกรู้ชัดความเกิดและความดับไปแห่งโลกตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นอริยาสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้างผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้างผู้ถึงสัจธรรมนี้บ้างเห็นสัจธรรมนี้บ้างประกอบด้วยญาณอันเป็นเศขารบ้าง ประกอบด้วยวิชาอันเป็นเสขะบ้างบรรลุกระแสแห่งธรรมบ้างเป็นพระอริยะมีปัญญาเพิ่มถอนกิเลสบ้างดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้างจบวักที่ 5, ห้าขหะปฏิวัก